ขอถวายความนอบน้อม ต, ต่อพระรัทนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็เรียนพระสูตรชื่อว่าปฐมเครัญยสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่คนไข้ คนไม่สบายพระสูตรที่หนึง่งเคลัญญะแปลว่าไม่สบายหรือว่าป่วยปฐมป ร, มรัชญาเนี่ยปฐมเคลรัญญสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่คนป่วยในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงแก่ภิกษุที่ป่วยภิกษุที่ไม่สบาย จากคำพีสัมยตินิกายสลายธนวังในบาลีข้อ255ในหน้าที่หน่งนะครับเดี๋ยวเราอ่านร้องกันครับเอกังสมยยันพกวาสาวิกเรสาลิยังวิหารติมหาวเนกูตาคาระสาลายัง าอาทะโขภควาสายันหะสั ม, มยันปติสันลานาวุตติโตเยนะกิลาหาสาลาเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาปัญญตเตอาสเนนิสีตินิสัชโผภควา พิกผูอาันเติเอกังสมยังก็แปลว่าในสมัยหนึ่งพระข า, าเวสาลียังวิหารติมหาวนเนกูตาคาระสาลายังพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันที่เมืองเวสาลี ในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีในเมืองเวสาลีนั้นก็มีศาลามีวัดใหญ่อ ย, อยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดกูตาค า, ารศาลาวัดนี้ตั้งอยู่ในป่ามหาวัดป่ามหาวัดก็คือป่ายใหญ่ๆป่านหนึ่งอธากโขมขวาสายันหะสมยังปฏิสันลานาวุติโตในลําดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาค สเสด็จออกจากการหลีกเลนในเวลาตอนเย็นในเวลากลางวันนะพระพุทธเจ้าก็จะพักผ่อนนี้เป็นปกตินะครับก็คือตอนเช้าไปบินทบาทแสดงธรรมะแก่ญาติโยมในเมืองกลับมาแล้วก็ให้กลังฐานแก่พิสูจนทั้งหลายตอนกลางวันก็พักผ่อนการพักผ่อนของพระพุทธเจ้าก็ตามอัตยาศัยของหลวงบางทีก็เข้าชา้าบางทีก็ ตรวจดูสัตว์โลกแล้วแต่นะครับในที่นี้พระองค์ก็เข้าฌาแล้วก็ตอนเย็นก็ออกออกจากที่หลีบเลนออกจากฌาเงเตยนครับเยนะีฬานะศาลาเตนุปัสสกมิแล้วก็เสด็จเข้าไปยังศาลาภิกษุไข่คีฬานะศาลาแปลว่าศาลาที่เอาไว้ดูแลภิกษุที่เป็นไคร ตัว น, นี้ก็คือโรงพยาบาลนะครแต่อันนี้เป็นโรงพยาบาลลระในวัดก็จะมีโรงพยาบาลเนี่ยพิสูรรูปไหนถ่วยเขาไปอยู่ศ า, าลาอังนี้แล้วก็จะมีพิกษุที่ชํานาญในเรื่องยาในเรื่องการดูแลนคนไข้ให้มาดูแ ล, เ, เ, ลเรียกว่ากีฬานาศาลานะครับนี้พระพุทธเจ้าในตอนเย็นพรงก็ออกจากที่หลีกเลนแล้วก็เสด็จไปที่ ศาลาคนไข่ศาลาภิกษุไข่ภูประสังกมิตวาปัญญัเตอาสนนิสีนั้กานเสด็จเข้าไปแล้วก็นั่งบนอาสนะที่ภิกษุเขาปูเอาไว้นิสัจชะโขภะวาิีขูอารันเตสิพระผู้มีพระผ้าคันประทับนั่งเรียบร้อยแล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังต่อไปนี้ก็เป็นที่มาของพระสูตรนี้ที่ชอวาปฐมเชตัญสุ นะครับเนเรื่องก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ศาลาอึกุกไข้แล้วก็แสดงธรรมเป็นการแสดงพระสูตรนี้นะครับแสดงแต่คนให้คนที่เจ็บป่วยควรจะรู้ธรรมะรู้ธรรมเทศนานี้แล้วก็พึ้นปฏิบัติตามแม้แต่คนที่ไม่ป่วยก็ควรจะปฏิบัติเอาไว้เหมือนกันเพราะว่า เวลาเราสบายดีเรื่องหลังของการสบายดีก็คือการป่วยมันไม่ป่วยจึงสบายดีพอไม่สบายดีก็ป่วยเหมือนตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เรื่องหลังของการมีชีวิตอยู่ก็คือตายถ้าไม่มีตายก็ไม่มีชีวิตอยู่มันคู่กันอยู่อย่างนี้ดังนั้นที่เรายังสบายดีอยู่แล้วเราเกิดความประมาทไม่ได้คิดถึงว่าจะมีบางครั้งที่เราไม่สบายอย่างนี้ก็เรียกว่า คนประมาทบางคนยังเป็นหนุ่มอยู่ยังไม่คิดถึงว่าตัวเองจะต้องแก่อันนี้ก็เรียกว่าคนประมาทประมาทในวัยคนที่ร่างกายดีอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเจ็บป่วยพวกนี้ก็เรียกว่าประมาทในการไม่มีโรคคนที่ยังจมดีอยู่ก็ไม่คิดว่าเดีเ๋ยวต่อไปเราจะจาไม่ค่อยได้ ง, ง่วงก็เงื่อนไปนเรียกว่าคนประมาทในด้านความจา นะบางคนก็มียอดมีตำแหน่งจริงมียอดมีตำแหน่งมันก็คู่กับการเสียยอดเสียตำแหน่งนะพอเขามียอดมีตำแหน่งหลงไปก็เรียกว่าประมาทในยศดนะแต่จริงเวลาเรามียอดเราก็ต้องมองด้วยกับอีกถว่าอ้าแต่จริงมันคู่มากกับการไม่มียศดด้วยมีเสียงสันเสริญคนไหนได้รับเสียงชมมากๆในเบื้องหลังของเสียงชมที่มากๆนะั้นก็โดนด่ามากๆไปด้วยเหมือนกันอย่างนี้นนะ เหมืนพระพุทธเจ้าเรานี่ยเขายกท่านเอาไว้ขึ้นมาเป็นคนที่คนสรรเสริญก็ยกขึ้นมาให้ก็เดินก็ด่านกันมันคู่กันอยู่นะฉะนั้นคนชมก็มากคนด่าก็มากด้วยอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนไหนที่มองเห็นแต่แง่มุมเดียวแล้วก็ยึดติดติดข้องคนนั้นเขาเรียกว่าคนประมาทบางคนก็ประมาทในวัย ระมาดในเงินทองระมาดในชีวิตในสิ่งของต่างๆที่ตัวเองมีทั้งๆสิ่งที่เรามีมีแล้วมันก็ต้องกล่าวไปเป็นธรรมดาแต่มันก็ต้องจังเราไปหรือมันไม่จางเราไปแล้วก็จางไปก่อนอยู่ดีอย่างนี้นะอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรนี้แก่ภิกษุที่ป่วยครซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วตอนนี้ถึงเราไม่ป่วยเบื้องหลังของการไม่ป่วยก็คือป่วย น, นั่นเอง แต่ถ้าเราประมาทไปอตอนนี้เราสบายที่ประมาทไปนะนี้เรียกว่าคนประมาทนะงั้นโดยส่วนใหญ่เราทั้งาจะพากันประมาทนะได้ความสุขมาแล้วก็สบายใจประมาทไปพอทุกมาก็เครียดสักรอบหนะึ่งพอได้สุขมาก็สบายใจไปพักนะึ่งสักหนึ่งก็เครียดใหม่วนไปวนมานี่ก็เลยเรียกว่าคนประมาท ไม่สามารถที่จะพ้นทุกได้จริงเพราะว่าไม่มีการพัฒนาจริงๆนะครับคือมันมองไม่เห็นภาพรวมของทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมองแต่แง่มุมใดแง่มุมหนึ่งพระพุทธเจ้าครั้นกระทํานั่งในที่สมควรแล้วใน ท, ท, ที่ที่สุกประจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้แสดงพระธรรมมติสนาเนี้ในลำดัตนะบดต่อไปนะครับเดี๋ยวอ่านกองกันครับ สตพิคอยพิขุสำประชานกาลังอาคเมยัายังโอมหากันอนุสาสนิอันนี้เราก็ซึ่งในบท ต, ต่อไปก็จะขยายให้ความด้วยโรงตลัดถ้ธทำอเทศนาย่อๆเป็นหัวข้อขึ้นมาก่อนว่า สโตพิกเวพิก ข, ขุขสัมปะชาโนกาลังอาคเมยะอายังโวอัมหาการอนุสาสนีพิกเวดูก่อนีิสุทั้งหลายพิกขุขือภิสุสโตคุณเป็นผู้มีสติมีสติไม่หลงลืมไม่ประมาทไม่ลืมตัวเองไม่ลืมกายไม่ลืมใจสนใจตัวเอง รู้จักสนใจตัวเองสนใจกายสนใจใจของตัวเองไม่หลงไปคนที่หลงไปสนใจแต่เรื่องสิ่งอื่นเขาเรียกว่าคนประมาทเราทั้งหลายชอบเป็นคนประมาทสนใจสิ่งอื่นเยอะกว่าตัวเองบางคนมีรถก็สนใจรถรถมันล้างหรือยังเติมน้ำมันเครื่องหรือยังออกซูนหรือยัง เช็คลมยางหรื อ, อยังอะไรก็ไม่ต้เช็คไปทั่วเลยแต่ร่างกายตัวเองไม่เคยเช็คไปหาหมอที่อบดูรอมเล่คุมเฟ่ก่อนก็ใส่ไม่เคยเช็ค น, นี่อันนี้เขาเรียกพวกประมาอพวกคาสติบจะชอบสนใจแต่เรื่องข้างนอกอเรื่องการงานจะตื่นเช้าวิ่งไม่ทํารัวจะไม่ทันที่ทํางานอะไรกั่องนั้นะแต่ตัวเองกินข้าวหรือยังยังไม่ได้สนใจไปที่ทํางานไว้ก่อน เรียกพวกขาดสติทั้งๆที่ร่างกายเราเนี่เราไปใช้มันแล้วก็พาเราไปทําั่นทำนี่ได้แต่เราไม่เคยสนใจมัไม่เคยสนใจสิที่สําคัญที่สุดนสนใจแต่สิทธที่สําคัญรองมาเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเราแล้วนะไม่มีการไม่มีใจนะมันก็ไม่มีอะไรเลยแต่ร่านกายกับใจนี่มันถึงสาคัญที่สุดถ้ากายมันอยู่ไม่ได้ใจมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าใจมันอยู่ไม่ได้กายมันประทุกเหมือนกัน พวกที่ขาดสติก็ชอบไปสนใจสิ่ไม่สนใจกายสนใจใจของตนเองไม่สนใจร่างกายว่าตอนนี้มันนั่งถูกท่าหรือเปล่านั่ ง, ย ง, งอย่างไรอยู่อยากนั่งยังไงก็นั่งแล้วก็ปวดหลังมันกินอาหารยังไงเนี่ยครบห้าหมูหรือเปล่าสัตแต่ว่ากินกินแไปกินกินลงไปใส่สารพิษอะไรลงไปก็ไม่รู้ในร่างกาย พอเป็นโรคเป็นอะไรมาก็บรรทักรรมเก่านู่นแต่ตอนจินมันไม่ดูนะไม่ดูจินแหลกดานไปหมดอาห า, ารขยะอาหารอะไรก็กินเข้าไปพอเป็นโรคขึ้นมาก็อกโอ้เนี่ยเราทํากรรมมาหน่ะคือตัวเองไม่เคยรับผิดชอบอันนี้เรียก ว, ว่าพวกประมาทขาดสตินะครับคือไม่ดูแลกายไม่ดูแลใจของนเองฉะนั้นเราต้องดูแลนะก็คล้ายๆแบบเราดูแล ร, รถยนต์ แต่โดยส่วนใหญ่เราสนใจแต่เรื่องข้างนอกสนใจข้างนอกเขาเรียกว่าพวกละมันขาสติถ้ามีสติก็คือสนใจกายตัวเองกายมันหายใจเข้าการมันหายใจออกมันเท็จขัดยอกตรงนั้นตรงนี้ควรจะแก้มันยังไงออกกำลังกายได้ไหมยืดเส้นแข่งยืดขาอะไรไหมต้องดูนั่งนานเดินไปหรือเปล่าต้องไปเดินนะบ้านต้องออกกำลังกายหน่อยอะไรพวกเนี้ยต้องดูแลนะครับ นี่เรียกว่าดูแลงกายดูแลจิตใจก็คอยสังเกตจิตใจตนเองว่ามันไปทําอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยๆละสิ่งที่ทําให้ใจเป็นทุกข์ทำให้มันเครียดมันมีตกกังวลนั้นละมันทำไมนะอย่างนี้เรียกว่าสนใจจิตใจตนเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะต้องสนใจใส่ใจการสนใจใส่ใจ ตัวเองสนใจกายใจตัวนี้เรียกว่ามีสติไม่ลืมมันถ้าหลงไปที่อื่นไปสนใจสิ่งอื่นเรียกว่าลืมเป็นคนระมาดนะครับนี่เราสอนใหดูก่อนพิสุทั้งหงายพิสุทธิคืเป็นผู้มีสติสโตแปลว่ามีสติสัมปชานโนมีความรู้ตัวอยู่เสมอนอกจากมีสติ ไม่ลืมกายไม่ลืมใจตัวเองแล้ว <_ an> ก็ให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าเรากําลังทําอะไรกําลังพูดด้วยจิตชนิดไหนกําลังคิดยังไงบ้างรู้ตัวนะเราไปทํานี้อะไรพาไปทําที่ไปพูดนี้อะไรพาไปพูดนะทุกๆ ก, การกระทําทุกๆ ก, การพูดแต่วก็ทุกท ก, การคิดของเรานี้มันก็มีเบื้องหลังคนะมีเบื้องหลังนะอันะอนั้นมีความรู้ตัวอยู่เสมอ สัมปชานมแปลว่ามีสัมปชัญญะหรือว่ามีความรู้ตัวกาลังอาขมยยะอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอๆ อ, อยู่บ่อยๆ อ, อยู่ทุกๆ ก, การายังโวอัมหากัรอนุสาสนีนี่แหละเป็นคำท้ามสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายนี่เป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาถ้าเราเข้าใจเพียง บรรทัดหนึ่งนี้ก็พอแล้วก็มีเท่านี้เองอันนี้แหละเป็นคำคร่ำสอนของเราสำหรับเธออัหลายก็คือให้มีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจให้รู้กายรู้ใจตัวเองแล้วก็มีสัมปชัญญะคือมีความรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าเรากำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรทำไปทำไม มันคิดอะไรจึงมาทําอย่างนี้มันนึกยังไงจึงเดินไปที่นี่นึกอะไรจึงพูดอย่างนี้แล้วก็จะเห็นถ้ามีความรู้ตัวก็จะเห็นเห็นบ่อยๆก็เกิดปัญญาได้นะครับพอเกิดปัญญาก็มองเห็นว่าอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่ทําแล้วตัวเองเป็นทุกข์ไหนที่ทําแล้วมีปัญหาไปยึดไปจับอะไรแล้ว มันเกิดความเครียดขึ้นมามันก็จะปล่อยออกไปค่อยๆปล่อยไดยนะครับตัวสัมปชัญญะนี้สำคัญจะทําให้เกิดปัญญาซึ่งจะมีสัมปชัญญะได้เราก็ต้องเป็นคนมีสตินะต้องรู้จักสนใจใส่ใจตนเองถ้าไม่สนใจใส่ใจตนเองแล้วมวัวไปสนใจในเรื่องอื่นอันนี้คงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเหมือนได้ประโยชน์เยอะก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเหมือนเราทํางาน ทํางานทําให้ประสบความสำเร็จทํา ง, ททงานางานประสบความสำเร็จดีไหมดีแต่ว่ามันได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ได้เงินดีไหมดีเหมือนกันแต่มันได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์เต็มที่ก็คือขณะที่ทําก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าตัวเองทาไปนี่มีกิเลสมีความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอะไรบ้างอย่างนี้ ก็จะงานก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันได้เงินเหมือนกันได้ชื่อเสียงเหมือนกันแต่ที่ดีกว่านั้นคือได้สติได้ปัญญาได้เข้าใจความจริงได้เข้าใจตนเองแล้วได้เข้าใจโลกนะอันนี้มันจึงคุ้มค่ากันเรากินข้าวหิวแล้วกินกินแหลกลากไปห ล, ลงหลงไปนะโอ้อันนี้อร่อยดีกินกินแล้วก็อิ่มดีไหม ดีแต่มันได้ประโยชน์จากการกินไม่เต็มที่ถ้าเรากินอย่างมีสติมีสัมปชัญญะเออหิวแล้วรู้ว่าหิวโอ้อยากไปกินอยากกินนักินนี่โอ้มันอยากกินอั น, นี้เราก็รู้ว่าอยากเราก็ดูจิตใจตัวเองไปเห็นไหมกินอย่างมีสติมีสัมปชัญญะก็อิ่มเหมือนกันนะอิ่มแลถมมีประโยชน์ด้วยถ้ากินแบบหลงๆไปบางทีกินแต่อันอร่อยอร่อยไปอ้วนก็มีเป็นโรคก็มี แต่ถ้ากินอย่างมีสติสัมปชัญญะได้อิ่มด้วยแล้วก็ได้รู้จักกิเลสของตัวเองเลยว่าโอ้ยมีปัญญากินนั้นนั่นอยากกินนันนี้หาใหญ่เลยเนี่ยอย่างนี้นะพอเป็นอย่างนี้อันไหนที่มันไม่มีประโยชน์เราก็จะค่อยๆละได้มันไม่ได้ละบุบวาเนะนก็ค่อยๆละพอค่อยๆละก็กินอาหารที่มีประโยชน์มีประโยชน์ก็อิ่มด้วยร่างกายก็เป็นประโยชน์ด้วยและดีเพิ่มขึ้นด้วยก็คือ ได้สติได้สัมปชัญญะเพิ่มขึ้นเกิด ค, ความเข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ได้ประโยชน์จากการกินข้าวอย่างเป็นที่นะไม่ใช่ได้ประโยชน์แค่อิ่มนะอิ่มนั้นมันแก่ผลพลอยได้อะไรเนทะ่านั้นเองมันอินไม่จริงหลังสนามันก็หิวใหม่ถ้าจะให้เลิกไปเลยเนี่ยมันก็ต้องมีปัญญาไม่ต้องมากินไรล่ะที่อื่วไอ้เราเนี่ยกินแค่อิ่มสักหนาก็หิวใหม่ละกินอีกละ มันก็วนเวียนไปวนเวียนมานะครับการพระองค์กินสอนนะสตโตพิคเวพิคปุสัมปชาโนกาลังอาขเมยยาดูก่อนพิสุทั้งหลายพิษุคือเป็นเ ป, นเปน็นเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลากาลังอาขเมยยาก็คือตลอดเวลาหรือว่าเวลาไหนาที่มาถึงก็ให้มี ให้มีสติมีสัมปชัญญะไปอยู่ที่ไหนๆก็ให้มีสติมีสัมปชัญญะนะไม่ใช่เฉพาะตอนอยู่ในห้องพระหรือว่าตอนเข้ากรรมฐานหรือว่าตอนตั้งท่าเดินโยกลมตอนคุยกันมีสติสัมปชัญญะไม่ได้หรอกอะไร่เงี้ยไม่ใช่ไหมยิ่งคิดว่าอันไหนที่ไม่ค่อยมีนั่นแหละต้องฝึกนะถ้าเราคิดว่าเอเรานั่งอยู่คนเดียวมันก็มีสติสัมปชัญญะดีนะ เป็นองหนักก็ได้เพราะว่า น, นี้มันมีแล้วอยู่หลายๆคนไม่ค่อยมีก็เราไฝึกตรงนั้นแหนะฝึกนะตรงที่มันไม่ค่อยมีนั่นแหละนะตรงที่มันไม่ค่อยมีนั่นแหละเราต้องรีบฝึกต้องรีบรีบฝึกให้รีบรีบมีเข้าถ้าร่างกายสบายดีอยู่มันก็มีสติสัมปชัญญะดีอันนี้ไม่เป็นไรถ้ามันเจ็บปวดเจ็บป่วยไม่สบายใจมันมีไหมถ้ามันไม่มีอันนี้เราต้องรีบฝึกให้มันมีฝึกไว้รักเลย่ยางนนะ อย่างนี้ต่างเรียกว่าการลังอ่านเสมอ ย, ย่างคือตลอดเวลาทุกๆการทุกๆสถานการณ์ทุกๆประสบการณ์ทุกๆเรื่องให้มันได้ทุกเรื่องไม่ใช่ได้ตอนใดตอนหนึ่งไม่ใช่ได้เฉพาะตอนอยู่คนเดียวอยู่หลายคนลืมตลอดอย่งนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะถ้าอยู่คนเดียวมันดีแล้วก็ไม่ต้องไปฝึกแบบอยู่คนเดียวมากนักไปฝึกแบบอยู่หลายคนนะเพราะว่าหลายคนมันไม่ค่อยรอดต้องเอาตอนนั้นเอาอันที่ไม่ค่อยรอดอะไรมาฝึก มันจะได้รอดไปส่สักนะตอนสุขแล้วสบายดีไม่เห็นทุกข์อะไรสบายดีอันนี้ไม่ต้องฝึกแล้วมันเด็กน้อยไปต้องฝึกตอนมันเป็นทุกข์หรือว่าตอนโดนคนด่าเอาเนี่ยทำยังไงมันจะพลายออกไปหรือว่าไม่วิตกกัวงวลไม่เตียดไปกับเสียงเขาเนี่ยอันนี้ดีกว่านะนี่เราเรียกว่าการาหลังคาขึ้มาอย่างคือทุกๆเวลาทุกๆสถานการณ์ทุกๆที่ท อย่างนี้นะครับฉะนั้นการมีสติมีสัมปชัญญะนะไม่ใช่เรื่องแบ่งเวลามาฝึกอันใดอันหนึ่งหรือว่าเวลาใดเวลาหนึ่งทำเวลาใดเวลาหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งแต่เป็นเรื่องการลาารลังอาฆาตเมียคือตลอดเวลานะทั้งชีวิตวันนันเติะทุกๆกิจการทั้งการกานอาหารการเข้าห้องน้า การทํางานการพูดคุยกับผู้คนการอยู่คนเดียวอะไรก็ตามแบบทุกๆ ก, การทุกๆ ท, กที่นะครับต่อไปพระองค์ก็จะขยายความว่าคําว่ามีสตินี้คือยังไงคําว่ามีสัมปชัญญะนี้คือยังไงตอนแรกก็การหัวข้อหรือว่าอุเทศขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งถ้าคนไหนที่ท่านเข้าใจอุเทศไปแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุไปได้เลย อันนั้นเรีว่าคนมีปัญญาเยอะมีปัญญามากส่วนพวกมีปัญญาน้อยก็ต้องอาศัยขยายความขึ้นมาอีกว่าคําว่าสโตมีสตินี่คือมียังไงกับมีสตินะสัมปชานอมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอนี่มันยังไงอย่างนีนะ้นะครับต่อไปในย่อหน้าที่สนะครับอ่านรองกันกัสสันจารพิกเวพิกขู สโตโหติอ oh ิทะพิโคเวยพิภุกายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปิสัพปะชาโนสติมาวินนยโลเญอะพิชาโดมานสังเวทนะสุจิตเตธัรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติ อาดาปิสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอพิชาโดมนนสังเอวันโขพิขเวทิขุสโตโหติต่อไปพระองก็จะขยายความคำว่ามีสตินั้นเป็นอย่างไรกระทนจากพิขเวทิขุสโตหงติ ดูก่อนพิสุทังหลายพิสุเป็นผู้มีสติอยู่อย่างไรอิทะพิขเวพิปุกกายเยกายานุปัสสีหารติดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่ตามดูกายในกายอยู่อันนี้คือการมีสติให้ตามดูกายในกายกายานุปัสสีแปลว่าตามดูกาย กายเแปลว่าในกายกายเยคาว่าในกายในคำนั้นก็คือในร่างกายของเรานี้ร่างกายที่เป็นทั้งแท่งของเราเนี่นมีหัวหนึ่งหัวแขนสองแขนขาสองขามีลําตัวเท่ามุ้นเท่านี้ก็ว่ากันไปนี่แหละนี่เขาเรียกว่ากายเยคือในร่างกายไม่ต้องออกไปเกิดนี้เราการมีสตินี่นะครับในร่างกายกายานุปสัสสีตามดูกายตามดู ส่วนย่อยของกายในร่างกายนี้อะไรบ้างที่เป็นส่วนย่อยของกายลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็ส่วนยอ่อยท้อมันพองขึ้นมันยุบลงนี่ก็ส่วนยอ่อยตามันลืมอยู่หรือมันกระพิดอยู่อันนี้ก็ส่วนย่อยนะอ ะ, ะไรบ้างองีกแขนเคลื่อนไปเคลื่อนมาขากระดิดไปกระดิดมาคอตรงคอไม่ตรง แล้๋ยวก็สงบังบอะไรนี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนย่อยๆนะกายเนี่ยก็คือทางกายทีนี้ให้ตามดูกายย่อยๆในร่างกายนั้นดูอันไหนก็ได้อย่างนี้นะครับคำนี้เรียกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหาริวิหาริกแต่ว่าดําเนินชีวิตอยู่ให้ตามดูกายดูใจตอนนี้พูดถึงการตามดูกาย ตามดูกายในกายแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในกายมีอะไรบ้างตาดูนะเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ํา่ายอุจาระปัสสาวะตั้งกายก็คอยดูไปสังเกตไปมันก็จะเห็นร่างกายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยว ก, ก็กินข้าวกินแล้วก็อีกอินแล้วก็เอาออกก็นะแค่นั้นวนไปวนมา ไม่ค่ยมีอะไรมากที่เราคิดว่าประเสริฐเลียนรู้อะไรนี่มันไม่เท่าไหรหรอกของนั้นเลยนะแล้วจะรู้ว่าอ้ามันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องคิดมัน่นหรือมันอะไรนี่นะนึกว่าเป็นตัวดีตัววิเศษมาตั้งนานนะที่ไหนได้มันก็เป็นตัวภาระให้เราต้องดูแลต้องแบ่งหามันไปนะทีนี้เราไม่ได้มองเห็นมันเป็นภาระเราเห็นว่ามันเป็นเครื่องประดับได้หน้าก็โอ้หน้าเรารอได้เงี้ย สองแล้วสองอีกอะสมผมต้องเป็นทรงนั้นสรงนี้มันมองเป็นเครื่องประดับแต่แท้จริงมันเป็นพาระได้หน้ามาเราก็ต้องมาดูแลหน้าได้แขนมันก็ต้องดูแลแขนได้ตัวร่างกายตั้งร่างมามันก็ต้องดูแลหิวก็ต้องกินเป็นเครื่องประดับไหมตอนนี้จะไม่เป็นเครื่องประดับแล้วทีนี้เราเห็นว่ามันเป็นเครื่องประดับแล้วได้มาใชหน้าตาหน้าเรา ผมก็เป็นเครื่องประดับก็ต้องหวีหอกนั่นแหละขั้นต่างๆแต่ที่จริงมันเป็นภาระไม่ต้องมาหวีถ้าไม่มีผมก็ไม่ได้หวีอะไรหรอกทีนี้เราเข้าใจผิดนะหลงเห็นกครงจักเป็นดอกบัวก็เลยเห็นภาระนี้เป็นเครื่องประดับไปทีนี้นอกจากมีภาระคือร่างกายแล้วยังไม่พอเห็นมันเป็นเครื่องประดับแล้วเป็นตัวดีตัววิเศษก็ได้ก็เลยลอยเห็นสิ่งข้างนอกเป็นเครื่องประดับไปด้วยอะไรบ้างล่ะเป็นเครื่องประดับ รถยนต์เคือประดับเพาะว่อย่างนี้นะที่ไหนได้ได้มันมาแล้วเป็นไงโอ้เหนื่อยกับมันแทบแย่แทบเป็นแทบตายเป็นพาละนะมีชื่อเสียงเครื่องประดับอยอ่างนี้นะที่ไหนได้ได้ชื่อเสียงมาเป็นไงบ้างโอ้โหวหนื่อยล้าไปเหนื่อยแทบลบแทบตายได้ต้องแ่งมากได้ตัวอีมาหนักตัวได้เครื่องประดับมาพรอย่างนี้นะพอได้มาได้เป็นไงบ้าง ได้ทุกมาเป็นแพ็กเกจเลรับมาเต็มเต็มเลยหน้าที่รับชอบต้องดูแลคนโน้นคนนี้โอ้จีบาเถะดูแลทุกคนได้หมดดูแลไม่ได้อยู่คนเดียวคือตัวเองนั่นะทุกจะเป็นจะตายอยู่แล้วอันนี้นะเพราะว่าไม่ได้ตามดูกายในการ ก, ก็เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวดีตัววิเศษนะเป็นเหมือนเครื่องประดับนะไม่ได้เห็นมันเป็นภาะ พอไม่ได้เห็นมันเป็นพาราเราก็เลยพลอยมองสิ่งอื่นเป็นเครื่องประดับไปกันเลยนาฬิกาก็เป็นเครื่องประดับตุ้มหูก็เป็นเครื่องประดับสายสร้อยอะไรก็ใสกันไปนะโหเอามาโชว์กันนะโอ้แอบเล่นหน้ากันไปหมดเนะลยหลอกกันไปหลอกกันมาสนุกมากเลยนะถ้าเราดูในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเลยถ้าเราเลยไปเดิดูตามห้างประดีกามหนังสืออะไรก็ดีนี่โอก็หลอกกันสนุกมากเราก็คงอยากจะโดนหลอกอยนั้นด้วยแหละเนราะมันจริง เพราะว่ากันไปนะย้อนๆอย่างนี้นี่เพราะว่าต่างคนต่างไม่ได้ตามดูกายใจกายมันก็หลงออกไปข้างนอกเห็นสิ่งมัต่างๆภายนอกเป็นเพื่อประดับไปแต่ที่จริงเราดูก็ได้ได้อะไรมาแล้วไม่เกิดความเครียดเกิดความ่มามมกังวลเพราะมันบ้ามีไหมได้รถมาเป็นยังไงบ้างะตอนได้มามันก็มีความสุขก็ไม่เพียงหรอแต่ว่าภาระก็ติดตามมาด้วย ได้ภรรยามาคนหนึ่งได้แฟนมาคนหนึ่งเป็นไงได้ลูกมาคนหนึ่งเป็นไงได้ตำแหน่งมาตำแหน่งหนึ่งเป็นไงอย่างนีนะได้หน้าที่รับผิดชอบมาอันหนึ่งเป็นยังไงเราคงจะภูมิใจนะได้รับผิดชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเบื้องหลังความภูมิใจก็คือเราก็หนักหนาเลยคนะือเครียดนะได้ตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้มาก็ต้องรักษาเยอะแยะ นะครับอันนี้เพราะว่าเราหลงไปหลงตั้งแต่เริ่มต้นก่อนคือไม่ได้ตามดูกายในกายพอไม่ได้ตามดูกายในกายแล้วอะไรที่เป็นวัตถุข้างนอกมันก็เลยต่อจิตไปด้วยห่อนะกลายเป็นเงินทองก็กลายเป็นเครื่องประดังไปบ้านก็กลายเป็นเครื่องประดังนะครับแทนที่ว่าจะใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตก็ทําให้ชีวิตยุ่ยงยากึ้น แต่เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะไปหมดมีหลายมากขึ้นไปไเรื่อยๆก็ยิ่งยากมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งำกำไรมากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่มีเครื่องมือสื่อสารมันจะทําให้เราสบายขึ้นได้มีเวลาเยอะขึ้นแต่เดิมนั้นจะไปหากันทีเสียเวลาเป็ น, นวันๆตอนนี้แค่โทรเราก็น่าจะเหลือเวลาเป็นวันหนึงนะเพราะว่าโทรก็เดียงรู้เรื่องแลหนักกว่าเดิม <c oughs> ยิ่งโทรยิ่งไม่ค่อยมีเวลาเลย <c oughs> งงมัหมดแล้วตอนนี้ ขนาไปเจอกันก็ยังมัวโทรถึงคนอื่นอยู่ไม่ได้คุยกันเป็นไงพูดกันในสองข่าวโทรซั์เลยโทรอยู่ด้วยเป็นไงหนักกว่าเดิมนะครับอันนั้นเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นเครื่องประดับพอเห็นว่ามันเป็นเครื่องประดับแล้วมันก็ต้องรักษาต้องมวงแหนสิ่งต่างๆนั้นมันตกอยู่ภายใต้กฎไตรนักเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้เราจะรักษาสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเป็นไง มันเหนื่อยสิ่งที่มันไม่คงทนให้มันคงทนมันเหนื่อยสิ่งที่มันบังคับไม่ได้ให้มันบังคับได้โอ้เหนื่อยมากนะเหนื่อยแทบร้องแทบตายท้ายที่สุดก็ไม่ได้นะสรุปคือไม่ได้นะนะ่ฉะนั้นต้นตอของมันในนันมาจากการไม่เข้าใจด้านกายต่างๆด้านกายภาพด้านวัตถุต่างๆเราจึงไม่เข้าใจปั้วหนะครับ แล้วเราให้มาตามดูกายในกายนะให้มีสติในพ ร, ระองค์ตรัสนะครับดูก่อนพิสุททั้งหลายภิสุเป็นผู้มีสติอยู่อย่างไรดูก่อนพิสุททั้งหลายพิสุทในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ตามดูกายในกายแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่นะครับให้ท่านดาเนินชีวิตอยู่โดยการตามดูกายในกายนะอาตาปีสัมปชานุสติมา ให้มีความภาพเปลี่ยนในการเอากิเลสทาให้กิเลสเราร้อนอาตามปีแต่ว่าความเปียนเผากิเลสให้มันเร้าร้อนตัวนี้เราเร้าร้อนตามกิเลสมีกิเลสจึงเร้าร้อนวิธีของกายกายานุปัสสีนี้จะตรงข้ามก็คือเผากิเลสให้มันเร้าร้อนไม่ใช่ไปเร้าร้อนตามกิเลสหรือไม่ใช่ไปวิ่งตามกิเลส าตาดีมีความเพียเพรเผาเกิเลสัมปช a โนมีความรู้ตัวสติมามีสติอยู่เสมอวินัยโลเกอภิชาโดมนัสสัแล้วก็กำจัดหรือว่าละอภิชาและโภมนัตในโลกละความยินดีและความยินร้ายในโลกนะครับเนี่ยถ้าเราตามดูกายในกายนะี้จะเกิดผลขึ้นมาว่คือสามารถละความยินดียินร้ายในโลกได้ อภิชาคือความยินดีพรมนักคือความร้ายไม่ใช่ไปละโลกนะแต่ละความยินดีร้ายในโลกถ้าเราตามดูกายในกายจะทำให้สามารถละความยินดีละความร้ายในโลกได้ฉะนั้นเงินทองมีเราก็มีไปนะแต่ละความยินดีในเงินทองเสียเงินก็เสียไปนะแต่ละความดินร้ายในมันได้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของการตามดูกายในกาย กายสบายดีก็สบายดีแตนะ่นันก็มีความสาุขไปแต่ไม่หลงเลิศเพลินดีละความ ด, ดีก็เห็นว่ามันเป็นภาระมันเป็นของไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรถ้ากายมไม่สบายมันเจ็บมันป่วยก็ไม่ยุ่งร้ายไม่ได้เครียดไม่ได้วิตกกังวลไปกับมันก็รักษามันตามธรรมดากันสมควรหายก็หายไม่สมควรหายก็ตายแต่เลื่อนธรรมดานะ ควรแก่ก็แก่ไม่ได้ไปพยายามให้มันเป็นหนุ่มแก่แล้วก็ไดตายไปก็จะได้สบายนะารับไม่ยอมตายมันก็ไม่ได้เป็นเด็กดีแก่แล้วถึงเวลาตายแล้วก็ต้องๆเป็นเรื่องธรรมดาจะได้เป็นเด็กใหม่อีกรอบนนีนะมันต้องมีการสะสารกันบ้างอย่างนี้นะการตายมันก็เป็นเรื่องจาเป็นถ้าเราไม่ตายซะเลยมันก็แก่หรือมันก็ ไม่ไดะไรขึ้นมาต้องตายสักันหนึ่งจะเข้าคาดิจึจะสมบูรณ์นะครับนี้ก็จะวินัยะโลกเกอภิชาโดมานัสสัและอภิชาและโทมานัสในโลกการกำจัดภิชาและโทมานัสในโลกการทีนี้โดยส่วนใหญ่เราไม่มีสตินะมันจึงไม่เกิดปัญญาขึ้นมาไม่มีสติขาสดสติเราจรึงหลงยินดียินร้ายกับโลกเต็นไปหมดเลยนะครับ อันนี้ก็ไม่ตามดูกายใจหลงร่างกายแบบไหนหลงไม่ชอบกายอย่างไหน่นหน้าตาเราถ้าหน้าตามันดูดีไม่เป็นสิวอะไรตนะ่างเราก็ชอบมันพอมันเป็นสิวหน้าตาไม่ดีขึ้นมามลท้องขึ้น ม, มาแล้วก็ไม่ชอบมันเลยนี่ขนาดหน้าตาตัวเองน่ะยังไปยินดียินร้ายกับมันเวลาสบายก็ดีใจเวลาป่วยก็ไม่สบา ย, ยา น, น, นี่ขนาดร่างกายตัวเอง นะครับแผลที่จิตรางกายมันเป็นภาระเป็นตัวทุกข์นั่นเองนะเรียกมาเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระได้มาแล้วก็ต้องดูแลมันจัดการมันให้พอเป็นไปได้เท่านั้นเองพอมันพอเป็นไปได้ก็ใช้เป็นเครื่องมศึกษาให้เกิดปัญญาเห็นความจริง น, นะครับนี่มันจริงจะเป็นการใช้ชีวิตใช้กายใช้ใจที่ได้มาอย่างคุ้มค่าถ้าใช้มา ได้มาแล้วใช้อย่างดีมังก็ไม่คุ้มค่า ย, ยกตัวอย่างเดิมแค่กินข้าวแล้วอีกดีไหมดีแต่มันไม่คุ้มค่ามันน่าจะได้ประโยชน์เยอะกว่านั้นการกินข้าวเดินไปเดินมาแล้วถึงจุดหมายดีไหมดีแต่มันไม่ได้ประโยชน์มันไม่คุ้มค่ากับการเกิดมามันไม่คุ้มค่ากับการได้กายได้ใจมากายใจมันควรจะใช้ให้เกิดคุณประโยชน์มากกว่านั้นไปอีก ไม่ใช่ใช้มันไปแล้วก็ทุกไปทุกมาวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะต่อไปก็เรื่องเวทนานะครับก็ทำนองเดียวกันแหละท่านก็เตยาณไว้ก็คือความหมายเหมือนกันเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชานนสติมาวินยะโลเจอภิชาดมนัสสังเป็นผู้ที่ตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดหรือว่าละภพิชาและโทนัสในโลกนาเวทนาความรู้สึกสนุกรู้สึกทุกข์เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้สบายตรงนั้นสบายตรงนี้มีทางกายถ้าทางใจก็สบายใจไม่สบายใจแล้วก็อทุกรมสุขเฉยๆหรือว่าวนเวียน ง, งงๆไป อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเวทนาทางกายก็มีสามมีสุขกับทุกข์ทางใจมีสามสุขทุกข์และอุทุกธรรมสุขนะตามดูเวทนาในเวทนาตามดูความรู้สึกของตนเองเวลาเห็นหน้าคนนี้แล้วรู้สึกยังไงไม่ต้องไปรู้สึกว่าเขาสวยหรือไม่สวยรู้ตัวเองมาตอนนี้หเห็นคนนี้แล้วรู้สึกยังไง ฟังสิ่งนี้แล้วรู้สึกยังไงอันนี้เรียกว่าตามดูเวทนาตามดูความรู้สึกนะครับนนะให้ตามดูความรู้สึกต่างๆสุขเ้าก็คงรู้จักอยู่แล้วครทุกข์ก็คือรู้จักอยู่แล้วเฉยๆก็คงรู้จักอยู่แล้วงงๆสงสัยก็รู้จักอยู่แล้วก็แค่ตามดูไปอย่าไปสนใจอันอื่นนะคำว่าอย่าไปสนใจอันอื่นนี้ ก็เป็นคำพูดถึงว่าอย่าไปสนใจมันมากปกติเราสนใจมันเยอะอยู่แล้วต่อไปก็แทรที่จะไปสนใจอย่างนั้นเยอะๆหรือว่ายาวๆไปแล้วก็ให้รู้ตัวไวๆแล้วก็มาสนใจตัวเองนะอันนี้ก็จะละอภิชาและโภคนัตในโลกได้ละความกิจดีในสุขสุขเกิดขึ้นเราก็สุขไปสุขไม่เห็นเป็นไรถ้านอาหารอร่อยก็ชอบชอบก็ไม่เห็นเป็นไร แต่อย่าไปยินดีอย่าไปหลงมันนะสุขก็ไม่เห็นเป็นไหรนะก็สุขไปเลไม่ต้องยินดีกับสุขเวลาไม่ยินดีกับสุขเราก็สบายสุขแบบสบายปลองปรลมดีทกุก็ไม่ยินนายกันก็นกดีเหมือนกันก็ใช้เป็นสิทศึกษาอันนี้ก็เรียกว่าละอภิชาและโทมนัสในโลกในเวทนาสเสดได้ในความสุขความทุกข์เสดไดนะครับต่อไปก็จิต จิตเตจิตตานปัตสีวิธารติอาดาปีสัมปชานโนสติมาวิเนยโลเกอภิชาโดมณ ส, สม์ตามดูจิตในจิตตามดูจิตใจของตนเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ตางๆนาน า, นานเดี๋ยวมันโลดเดี๋ยวมันโกล่เดี๋ยวมันคิดนั่นคิดนี่เดี๋ยวมันสบายใจไม่สบายใจเดี๋ยวมันอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้นะเดี๋ยวมันไปว่าคนนั้นว่าคนนี้ คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อันนี้เรียกว่าตามดูจิตในจิตบางครั้งที่เกียบบางครั้งก็ยางอะไรพวกนี้นะโดยส่วนใหญ่ฝ่ายไม่ดีก็จะเยอะหน่อยนแบบ้ดหนึ่งแต่เราค่อยๆตามดูไปก็จะดีเวลาเห็นเข้าใจตนเองเราก็จะเข้าใจคนอื่นไปด้วยนะครับเราทหลายไม่เข้าใจตนเองเราจึงไปหลงกับคำของคนอื่ น, น อ, อะไรเยอะแยะเลือกินนะแตะที่จริงจิตใจคนนั้น โดยส่วนใหญ่มันเต็มไปด้วยกิเลยเต็มไปด้วยความหลงเต็มไปด้วยความหลงเช่นเขาดา่าเราแล้วเขาโกรธหล ง, ลงโกลธหลงโกรธแล้วก็หลงดา่าที่เขาดา่าเราเพราะว่าเขาหลงเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะคนด่าเราเนี่ยก็ เ, เรียกว่าถ้าเราไปโกรธนี่แสดงว่าเราโง่ที่สุดโง่แบบมหาสาลมากก็คนที่ดา่าคนอื่นได้นี่คือคนหลงเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้เป็นคนสําคัญอะไรนะแค่คนขาดสติเท่นั้นเอง แต่เราคงไม่คิดอึ่างนั้นหรอกตีมันต่อยมันหน่อยเอาชนะมันหน่อยอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็จะลากพอกันไปสวรรค์กันสองคนนะนะเป็นมนุษย์ดีๆไม่ชอบนะฉะนั้นคนที่เขาด่าเราว่าเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้เป็นคนสําคัญอะไรเลยนะ่นะแต่จริงๆก็คือคนขัดสติเทนั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่เราเนีชอบนะอย่างนังสาวพิมก็เขียนอย่างนี้พูดอย่างนี้ เขาก็เติมแต่งใส่เข้ามาอะไรเข้ามาเราไปอ่านแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับเขาอยู่เองเนี่ยนะแสดงว่าเรานี่โง่มากที่สุดเ น, นี่ยคุณนี่ไง น, นะครับเขละครอย่างเงี้ยเขาเล่นกันพอเอาเบื้องหลังมาถ่ายให้ดูแล้วก็รู้หมดแหละว่าโอ้อย่างนี้อย่างนี้นเราก็ไปหลงเองนะอุยคนนี้มันแสดงดีจังเว้ยเนี่ยหลงมากนะครับเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้จักจิตใจตนเองไม่รู้ว่าเราเป็นคนหลงเราเป็นคนคาสติ เราเป็นคนมืดยังไงบอบอยังไงเราไม่รู้พอไม่รู้แล้วมันก็คอยไปหลงกใหคนอื่นไปด้วยทั้งๆ ท, ท, ที่เขาก็มืดบอบเหมือนกันแค่คําพูดหลอกๆ ก, กันมาเราก็โกรธก็ไม่พอใจนะอย่างนี้นะครับแบบนั้นเราก็จะละอภิชาและโทมนัสในโลกไม่ได้นะเราก็จะวนเวียนไปกับโลกวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นฉะนั้นให้มาตามดูจิตในจิตไม่ต้องไปสนใจจิตคนอื่นนะสนใจใจิตใจตนเองนะครับ เม่สนใจจิยยตใจตนเองเราก็จะเข้าใจเข้าใจตนเองเมื่อเข้าใจตนเองก็จะเข้าใจคนอื่นไปด้วยอย่าพยายามไปเข้าใจคนอื่นนะมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับดนะันั้นต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถเข้าใจคนอื่นได้แม้กระทั่งตัวเองแต่เราสามารถตามดูตัวเองได้การย้อยไม่ต้องไปทำค่าเข้าใจตัวเองด้วยเพราะว่ามันไม่มีทางเข้าใจตัวเองกันแต่เราตามดูตัวเองได้ เออเอ้เร า, น, านี่ยมันยังดีวะทั้งๆที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันก็ยังทำไม่ดีอยู่นะะทั้งๆที่มันรู้ว่าอย่าไปอิจฉาเขาดื้อมันก็อิจฉาอยู่นะเนี่ยเห็ น, นไหมฉะนั้นอย่าไปพยายามเข้าใจมันอย่าไปพยายามตัดสินมันอย่าไปให้เหตุผลมันให้รู้ว่ามันทำอะไร น, นะไม่ต้องไปแก่ตัวเองให้ตามดูตามดูตัวเองได้นะ อันนี้เรียกว่าตามดูจิตในจิตนะครับจิตต่างๆก็มีเยอะนะเดี๋ยวพยันเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวซึมเดี๋ยวหดหู่เดี๋ยวท้อแท้เดี๋ยวอยากได้นั่นอยากได้นี่เยอะแยะนะจิตโดยส่วนใหญ่เราก็พอรู้จักอยู่แล้วที่เราเรียกชื่อไปต่างๆนานั่นแหละแต่แต่เดิมนั้นเราเกิดความรู้สึกต่างๆอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเราก็ไปสนใจแต่สิ่ ต่อมาให้เรามาสมนใจจิตจิตใจตรนเองในจิตก็จะมีทั้งอาการของจิตโลกโลภหลงอิจฉามีมานะอะไรพวกนี้เรียก ว, ว่าอาการของจิตเป็นสิ่งที่เกิดในจิตแล้วก็พฤติกรรมการทํางานของจิตเดี๋ยวไปมองเห็นเดี๋ยวไปได้ยินเดี๋ยวไปดมกลิ่นเดี๋ยวไปรู้รสเดี๋ยวไปสัมผัสทางกายเดี๋ยวไปคิดไปนึกเป็นการทํำงานไปทากถักว่าแนี้นะครับ ตามดูจิตในจิตต่อไปก็ตามดูธรรมะในธรรมะทั้งหลายธรรมเมสุธรรมาลุปษษัสสีพิทาระติตามดูธรรมะในธรรมะทั้งหลายทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต น, นั่นแหละแต่ว่ามันเสมอกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นปนัตตาโดยความเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้มันก็มีเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต่เสมอกันโดยความเป็นขันธ์ เสมอกันโดยความเป็นกระบวนการทํางานของธรรมะียาากเรวะะัต น, นะทำงานอันนี้เรียกว่าการตามดูธรรมะในธรรมะทั้งหลายนะครับทั้งนามทั้งรูปก็คือทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจนนิตอะไรแต่ว่าเห็นมันโดยความเป็นของเสมอการเสมอการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนันตาทุกสิ่งทุกอย่างมันิีอาสายกันในการเกิดขึ้น เกิดมาแล้วก็ล้วนแต่ดบไปทั้งนั้ น, นรีเรวัตตาดูธรรมะในธรรมะอาตาปีสัมปชาญโญสติมามีความเพียรเหาปกิเลสมีสัมปชัญญะมีสติวินยะโดเคอภิชาโดมนัสสัละอภิชาและโทมนัสในโลกได้นะครับเอวังโขพิโคเยติสโตโหติดูก่อนภิสุทั้งหลาย ที่สุดเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนี้แหละอันนี้นะเรียกว่าเป็นผู้มีสติอย่างนั้นไ ม, ไม่ลืมกายไม่ลืมใจของตนเองมีสติการดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตแล้วก็ตามดูธรรมก็คือกายกับใจของตนเองนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนมีสติไม่ลืมมันกายมันนั่งอยู่ก็รู้ว่ามันนั่งอยู่อันนี้เรียกว่า ดูกายในกายนั่งไปนานๆเอาปวดหลังอปวดเวทนามันเกิดนี่เรียกว่าตามดูเวทนาในเวทนาปวดแล้วโอ้ยไม่ชอบเวยเป็นการตามดูจิตในจิตดูไปบ่อยๆก็จะเห็นว่าสิ่งต่บตาเรานี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเป็นแต่ของเปลี่ยนแปลงเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นเรียกว่าตามดูธรรมในธรรมนะ ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเพราะว่ามีสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวเราเองนั่นแหลนะไม่ยากนะแต่เราส่วนใหญ่ก็ชอบคิดว่าอ้ยากมากคําว่ายากมากของเราคือจะได้ไม่ต้องทําจะได้ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ประมาณต่อไปอีกฉะนั้นคําแก้ตัวทั้งหลายนี้มีเยอะไปหมดอ่ะให้รู้ว่ามันเป็นของกิเลส น, นะนะ เพื่อจะได้อยู่นานๆจะได้ทุกนานๆแล้วก็จะได้บ่นนานๆเวลาทุก็จะได้บ่นบ่นอย่างนบ่นอย่างนี้บ่นกับตัวเองบ้างบ่นกับอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะจะได้บ่นนานๆแต่ว่าบุคคลที่จะฝึกฝนแล้วก็ไม่บ่นไปกับโลกเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนั้นมันไม่คอยมีหรแต่เรานี้ชอบชอบบ่นฉะนั้นต้องผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้จะได้มีเวลาบ่นเยอะ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นประปนึงแล้วปนเรื่องโน้นปนเรื่องนี้บางคนก็ะปนเรื่องการเมืองปนเรื่องคนโน้นคนนี้ปนเรื่องโลกปนเรื่องจักรวาลปนเรื่องอะไรโลกมันจะแตกแล้วโลกร้อนแล้วอะไรแล้วขอให้มีอะไรได้ปนนะครับปนไปทั่วเลยสนุกดีนั้นเรียกว่าคนขาสตินะจะให้เราเป็นคนมีสติ เมื่อมีสตกิก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ละอภิชาและโทมนัสในโ ล, ลกละความยินดียินร้ายในโลกเราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงโลกให้มันดีขึ้นหรือว่าเลวร้ายโลกนะเรามาฝึกฝนเพื่อลากความยินดีและก็ยินร้ายในโลกโลกมันก็เป็นอย่างนั้นพวกมันนั่นแหละนะครับมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างพวกมันนั่นแหละเราจะได้ศึกษาถ้ามันดีตลอดเราก็คงจะหลงมนันนองถ้ามันเลวตลอดเราก็คจะไม่ไหวเองนน มังคนเขอพยายามพยายามจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างโน้นอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะโลกก็เป็นในมันของมันนั่นแหละเป็นไปตามกรรมการกระทําของบุคคลทั้งหลายในโลกรวมหมู่กันขึ้นนะครับดังั้นเราฝึกฝนนี้ไม่ได้ฝึกฝนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกอะไรฝึกฝนเพื่อที่จะเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันนแหละเป็นไปตาม เหตตามปัจจัยตามการกระทําของผู้คนตามจิตใจของผู้คนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั้นแหละ เ, เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แหละเราจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เริ่มจากเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนพอเปลี่ยนแปลงตนเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ไกลๆตัวเราสามีปัญญาลูกหลานก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพยายามจะเปลี่ยนแปลงโลกพยายามอย่างนั้นคงจะไม่ได้ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงโรคไม่ได้มาจากความพยายามเปลี่ยนแปลง ม, มาจากการเข้าใจมันเข้าใจมันแล้วก็ยอมกับมนันะครับแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นนี้ไม่ใช่เพราะเราไปบังคับคนอื่นนะมาจากการเข้าใจเขาเหมือนะีนะ้มันเรื่องธรรมดาไม่ได้มีเยองอะไรมากมายแต่เราคงจะชอบแบบอื่นนะชอบบังคับเราบังคับให้เปลี่ยนแปลงนะเธอเนี่ย เธอชอบฉันใช่ไหมอยากมาเป็นแฟนฉันใช่ไมมต้องเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนให้มันกันสามเดือนนอกนั้นก็ระเบิดลงอย่างนี้นะแต่นั้นมันก็เครียดกันไปเครียดกันมาแต่ละคนก็ไม่ยิสระไม่มีความสุขมัวแต่เครียดกันอะนนั้นเขาใช้วิธีบังคับวิธีบังคับไม่ได้ผลนะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถบังคับได้ครัว่าไม่สามารถบังคับได้ก็หมายความว่าแม้แต่สิ่งที่คิดว่าบังคับได้มันก็บังคับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเกิดเพราะเหตุตอนนี้มันบังคับได้บังคับได้มันก็ดับไปสักงเกตมันก็บังคับไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูง่ายๆแค่คนจะไปบังคับเขามันยังไม่เที่ยงเลยเพรที่ถูกเขาบังคับเนี่ยมันจะเที่ยงได้ไงมันก็ง่ายๆแค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอก นะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนสำหรับภิกษุขไขยสำหรับคนป่วยโดยเฉพาะเราทั้งหลายนะนะก็มีความป่ว ย, ยเบื่อมหนลังด้วยฉะนั้นก็ก่อนจะป่วยก่อนจะไม่สบายก็รีบฝึกเอาไว้อย ห, นะหรือว่าคนใกล้ตายอย่างนี้เราก็อาจจะสมัสยก็ตายเหมือนกันเราก็ ก่อนจะถึงใกล้ตายแล้วก็ฝุดเอาไวา้ก่อนนะครับก็คือพระองค์ให้สตโตพิคเวพิกุสัมปชานอกาลังอาคมียดูก่อนที่สุทั้งหลายภิกษุคือเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอยู่ในทุกๆสถานการณ์พยางโวอังหากังอนุสาสนีนี้เป็นคำท่าสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย Ips. การมีสติก็คือการตามดูอยู่ในกายในใจในกายเวทนาจิตและธรรมต่อไปจะกล่าวถึงการมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวที่ไหนบ้างก็รู้ทุกๆกิจกรรมทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราทำานะตั้งแต่เรื่องที่คิดว่าใหญ่ที่สุดจนกระทั่งเรื่องที่คิดว่าเล็กที่สุดนะรู้ทุกๆเรื่องนะครับในย่อหน้าที่สี่ อลองกันครับกระถันจาาพิกเวพิกุสัมปชาโนโหติอิทาพิกเวพิกปุอภิกันเตปติกันเตสัมปชานการิโหติอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานการิโหติสมินชิเต ปัสสาริเตสัมปชานการีโหติสังคาติปัตตัจีวรัารณีสัมปชานการีโหติอสิเตปีเตขาญเตสายิเตสัมปชานการีโหติอุจจาระปัสสาวกัมเม สัมปชานการีโหติฆาเตติเตนิสินเนสุเตชาคริเตภาสิเตตุนณีภาเวสัมปชานการีโหติเอวังโขพิกเวพิภุสัมปชานการีโหติสโตุพิเคว สัมปชาโนกาลังอาคเมยะายังโวอัมหากันอนุสาสีนะต่อไปพระองค์ก็จะขยายความของคำว่าสัมปชาโนคือการมีความรู้ตัวนี้คืออย่างไรบ้างให้ปฏิบัติอย่างไรกระถันจากพิเกเวภิภูสัมปชาโนโมติดูก่อนภิสุทั้งหลายพิสุ เป็นผู้มีความรู้ตัวอยู่อย่างไรอิทาพิฆเวพิขุอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานาการีโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวิไนนี้เป็นผู้ที่กระทําด้วยความมีความรู้ตัวสัมปชานาคารีก็คือกระทําสิ่งต่างๆด้วยการมีความรู้ตักระทําอะไรบ้าง อภิกันเตปฏิกันเตในการก้าวไปข้างหน้าแล้วก็การก้าวไปข้าง na, หลังการเดินไปข้างหน้าหรือว่าหันกลับไปข้างหลังนี่ตอนยุริยาบทเดินหรือว่าเวลาเรานอนนอนก็มีไปข้างหน้ามีนะขยึดขยึดไปข้างหน้าแล้วก็มีหันหลังขยึกๆยึไปข้างหลังมีให้มันรู้ตัวก่อนรู้ตัวสัมปชัญญะการีคือให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอ แต่ปกติเวลาเรานอนเราก็เนึกถึงอะไรกันอยูเวลาเดินก็เนึ้อตึงน่นเนื้อตนี้ไปนะไม่ได้มีความรู้ตัวในตอนอภิกันเตหรือในตอนก้าวไปข้างหน้าเวลาเราก้าวไปข้างหน้าเราก็รู้ว่าอ้อันี้เรากำลังก้าวไปข้างหน้าก้าวไปซ้ายขวาซ้ายขวาก้าวไปอย่าี้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องท่องคำอะไรขึ้นมาก็ได้ให้รู้มีสัมปัสชัญญยมีความรู้ตัวนะ แค่เราไม่คิดมากหรือว่าไม่นึกไปเรื่องอื่นมันก็จะรู้ตัวนะฉะนั้นถ้าเราหลงไปเราก็ให้รู้ตัวให้ไวๆตามที่พระพุทธเจา้าท่านบอกการลังอา ก, ก็มีอย่าก็หมายถึงว่าให้เยอะๆเข้าไว้ให้บ่อยๆเข้าไว้ให้ได้ทุกสถานการณ์เข้าไว้อย่างนี้นะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ตามสมควรนะไปฝึกเอาหรือว่าหัดเอาหัดเอาในธรรมดาธรรมดาเราก็ได้เราขับรถเนี่ยก็มีทั้งขามันก้าวไปข้างหน้าเหยียบ ทั้งขามันก้าวกลับมาถอนกันเล่งซะหน่อยอย่างนี้ตรงนะี้อันนี้ก็ให้รู้ตัวว่านี่มันไปอย่างนี้นะสัมปชานาการคือกระทาความรู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังเหมือนเรานั่งนั่งก็มีการไปข้างหน้าเลยน้องกายไปข้างหน้าคอไปข้างหน้าอา่านั่งนานแล้วเจ็บหลังยึกไปข้างหลังนะอย่างนี้ก็รู้ตัวได้ ทุกๆสถานการณ์อย่ okay. างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนละเอียดครัวเราไม่ปฏิบั ต, ติขนาดสอนละเอียดขนาดนี้ยังมือไม่ทำส่วนใหญ่อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานาการีอมุติเป็นผู้ที่กระทำสัมปชัญญะคือมีความรู้ตัวในการแลดูในการเหลียวดูในการมองดูนี่กำลังมองดู มองดูตรงๆเดี๋ยวมองดูข้างหลังมองดูทิศนั้นทิศนี้แลดูไปข้างหน้าไปข้างหลังทิศ ต, ตรงๆเดี๋ยวดูก็แงะแงนหรือว่าอะไรต่างๆเป็นทิศเฉียงแอบดูตัวคนอื่นเขาจะเห็นอะไรพวกนี้ได้ทุกสถานการณ์การมองนี่เรากําลังดูดูแบบแอบๆบตัวเขาจะรู้ว่าเราดูแล้วก็มองแล้วก็มีความรู้ตัวว่าเรากําลังทาอย่างนี้อยู่ เมื่อกี้ไปข้างหน้าไปข้างหลังทุกสถานการณ์นะมีการเดินไปข้างหน้าไปข้างหลังเรานั่งก็มีทั้งโน้ไปข้างหน้ามาข้างหลังนอนก็ไปทั้งหน้าทั้งหลังได้นะตอนนี้พูดถึงการแลและการเหลียวอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่คอเราแม้แต่ร่างกายก็ไปด้วยกันเวลาเรามองมองดูไปตรงๆรงข้างหน้าตรงตรงข้างหลังตรงตรงทิศต่างๆแล้วก็การเหลียว เดี๋ยวไปในทิศย่อยๆเดี๋ยวไปแบบตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็ให้มีความรู้ตัวมีสัมปชัญญะในการแลกและการเลี่ยนะครับนี่ต้องเตือนเอาไว้อย่างนี้เสมอก็เพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเรามองดูเราก็มองหาสิ่งที่เราต้องการสมมุติเราจะไปเซเวน่นเราก็มองหางเซเว่นมันอยู่ตรงไหนเรามอง แต่ว่าไม่ได้สนใจว่าอันนี้เรากําลังแรกําลังเหลียวคอมันกําลังไปทางนู้นทางนี้ไม่ได้สนใจนะโดยส่วนใหญ่เราจะพากันสนใจแต่เป้าหมายสนใจแต่สิ่งที่เราจะไปทำอันนั้นเรียกว่าพวกขาสตนะิเหมือนเราเดินไปในห้าสมมุติเราจะไปหาประตูก็สนใจแต่ปูนะี่ยถ้ายังไม่ได้ประตูไม่กลับอย่างนี้พวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้อะไรคนเดินทั้งทาเนี้ก็จะไม่สนใจแล้ว จะมีเด็กมีเล็กไม่สนใจก็สนใจแต่ประตูอย่างเงี้ยเอาไปหาประตูเี่ยเหมือนกันแต่เรานี่สนใจแต่เงินทองก็จะสนใจในเรื่องเงินทองสนใจตําแหน่งก็จะสนใจแต่เรื่องอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจกับนานะเราไปหาประตูก็หาไปหาเซเว่นก็หาไปทํางานก็ทําไปแต่มีความรู้ตักระทําสัมปชัญญะเวลาเราคิดถึงเป้าหมายแล้วโอจะไปที่โน่นแล้ว ตอนนีนะ้ตอนนี้มากระทําสมปชัญญารู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าก้าวรู้ตัวในการเหลียวดูแลดูนะครับนะอภิกันเตปฏิกันเตสำปรชานการีโมติเป็นผู้ที่กระทําความรู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังอารโอมิเตวิโลมิเตสำปรชานการีโมติเป็นผู้ที่ กระทำความรู้ตัวในการแลดูในการเหลียวดูสมินชิตเตสัมมินชิตเตปาสาริเตสัมปชาณการีมุติเป็นผู้ที่กระทำความรู้ตัวในการคู่เข้าในการเหยียดออกมือเราแขนเราขาเรานยะมันมีคู่เข้ า, ม, ม, ขามันมีเหยียดออกเหยียดออกไปจับอันนั้นอันนี้จับได้แล้วก็คู่เข้ามาเวลายกสิ่งของเหยียดออกไปจับ จับแล้วก็ยกกลับเข้ามามีการคูเข้าเอาเข้ามาหาตัวเองกอดกันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีเหยียดออกผลกพิ้งให้รู้ตัวเวลาที่เราทำสิ่งต่างๆนะครับรตัวสังคาติปัตะจีวรคารเนสัมปชานการิโมติเป็นผู้ที่กระทำความรู้ตัวในการ ทรงผ้าสังฆาติในสําหรับพระนะนี่ใส่เครื่องลูกผมให้พระอุ้มบาตรแล้วก็คล้องจีวรนี่ของลระถ้าเป็นของคารวาะเราเพื่อมลุูมผมต่างๆแล้วก็การใส่เครื่องประดับชนิดต่างๆให้มีความรู้ตัวรู้ตัวว่านี่กําลังสวมเสื้อตัวนี้สวมด้วยความรู้สึกยังไงคิดยังไงกํางเกงตัวนี้นะสองกระจกแล้วเน็คไทอันนี้จัดแล้วจัดอีกให้รู้ตัวในการจัด ก็จะเกิดสติเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นในการนุ่งผมเสื้อผ้าสวมใส่เครื่องประดับต่างๆนั้นว่าโอ้ที่เราทำทาอยู่นี่มันเป็นอย่างไรบ้างมันเหมาะสมไหมมันดีไหมที่เราทำนี่เราเราแต่งชุดเรียบร้อยนี้เพราะว่าสมกับการงานหรือว่าเราแต่งเอาหน้าเราก็จะได้รู้กันตอนนี้แหละนะ ฉะนั้นการแต่งตัวดีๆสวยๆนี่มันก็เป็นเรื่องดีนะคนอื่นเห็นแล้วก็สบายใจแต่เราพูดแต่งนี้ก็มีความรู้ตัวอยู่นะครับไปงานเราเป็นคนที่เป็นแขงเราก็ต้องทาตัวดี ๆ, ๆมันเรื่องปกติแต่ว่าจิตใจเราที่ทำนี้ทำเพราะว่ามันสมควรหรือว่าทำแบบอยากมีหน้ามีตาต้องดูตรงนี้นะครับถ้าเรามีความรู้ตัวนะเราถึงจะรู้ รู้จักจิตใจที่ไปสวมสายเสื้อผ้าต่างๆ น, นะครับอีกของพระก็มีสัมฆาติบาทจีวรของคาราวาะก็เครื่อ ง, องมือหกทั้งหลายและเครื่องประดับอาสิเตปีเตขายิเตสายิเตสังปัญชานการีหมอเป็นผู้ที่กระทําความรู้ตัวในการกินอาสิเตกินปีเตดื่มขายิเตเคี้ยว สายิเตแล้วก็ลิ้มรสกินก็กิน <g ül> ข้าวกินอาหารทั่วไปก็ให้มีความรู้ตัวกำลังเี้ยวเคี้ยวไปกี่ครั้งแล้วแล้วกลืน อ, อื้อเข้าไปเคีนะ้ยวไม่เยอะครั้งแล้วกลืนลำบากอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราก็้ีบีะแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวนะเคี้ยวไปกี่ครั้งก็กลืนรลืนแหลกเลยจริงนะนะ ถ้าเรามีความรู้ตัวเราก็จะรู้ว่าโอ้โหนี่ยเราควรจะเคี้ยวอาหารกรี่ค้งดีตามหมอเขาบอกให้เคี้ยวทั้งเดียวเคี้ยวทั้งหลายครับแต่เราคงสองสามครั้งก็ตืนไม่ก่อนนะ ร, รีบรีบอิ่มนะอย่างนี้นะคือเราชอบรีบจะไปทํา อ, อย่างอื่นไงเหมือนกับว่าเอ้ารีบไปปฏิบัติทำรีบกินข้าวอิ่มจะได้ไปนั่งปฏิบัตนะิแต่ในจริงตอนกินข้าวอันแหละให้ปฏิบัติไปให้มีความรู้ตัวไม่ต้องรีบอะไร ไม่ต้องรีบกินข้าวจะได้ไปปฏิบัตินะไม่ต้องรีบทํางานให้มันเสร็จจะได้รีบไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องานพอตอนทางานนั่นแหละให้มีความรู้ตัวฟนะู้เข้าเหยียดออกแลเหลียวเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังนี่ให้มีความรู้ตัวอยู่อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอนุสาสนีคือท่านสอนให้เราไปปฏิบัติตามไม่ใช่ให้เราไปทําอย่างอื่นนะ ใ, ให้เรามานั่งเยอะๆหรือว่ามาเดินจมกรมเยอะๆนั่นเองครับให้เรามีความรู้ตัวเยอะๆให้มีสติเยอะๆนะครับตอนนี้ถึงอา ส, สิเตปีเตการดื่มดื่มน้ำดื่มอะไรที่มันเป็นน้านะหายิเตในการเคี้ยวเคี้ยวสิษ์ต่างๆเคี้ยวใบไม้เคียไไเค้ยวผักเคี้ยวหญ้าอะไรก็ว่าไป เนื้เคี้ยวขนมขบเคี้ยวสาจิเตนในการลิ้มลิ้มรสน้ํำผึ้งลิ้มอะไรที่มันเยิมย้มเยิย้ไอศครีมอะไรพวกนี้นะเนี่ยให้มีความรู้ตัวในการทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นรู้ว่ากําลังทําอย่างนั้นอยู่ทําด้วยจิตชนิดไหนจิตใจเป็นยังไงทําแล้วสบายใจไม่สบายใจมันไม่สบายใจเลยมาทําอย่างนี้คิดว่าจะช่วยให้สบายใจแต่มันสบายใจจริงไหมเนี่ยให้รู้ตัวไปเรื่อยๆในการ เราก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงเห็นอะไรเห็นว่ามันบังคับไม่ได้เห็นว่ามันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงเห็นว่ามีแต่ของไม่คงทนอย่างนีน้เพราะว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตนะครับตอนนี้เป็นการมาฝึกการสังเกตมาฝึกการดูฝึกการมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี้จึงเป็นเครื่องมือในการดู เรื่อมือในการสังเกตความจริงนะเราทั้งหลาย น, นี้ไม่ได้ฝึกอันนี้พอไม่ได้ฝึกอันนี้มันก็ไม่มีเครื่องมือพอไม่มีเครื่องมือจะไปพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องอะไรมันก็ไม่เข้าใจจริงนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกอนุสาสนีว่านี้อันนี้คืออนุสาสนิเราต้องฝึกฝนต้องทํำขึ้นํา บ, าบา่อยเมื่อฝึกฝนขึ้นมาได้แล้วได้เครื่องมือแล้วก็คอยสังเกตในชีวิตเราสังเกตใน ประสบการณ์ต่างๆมันก็จะสอนเราอยู่แล้วตอนนี้เรื่องกินดื่มเคี้ยวลิ้มต่อมาก็อุจจาระปัสสาวะกรรมีมสัมปชานการีโหติเป็นผู้ที่จะทำความรู้ตัวในการถา่ายอุจจาระและปัสสาวะถา่ายอุจจาระปัสสาวะแต่การปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีเรื่องห้องพระหรือว่าห้องสุขานะให้รู้ตัวเข้าไว้ก็แล้วกัน ไปห้องสุขาก็ให้รู้ตัวขณะก่อนจะถึงห้องสุขาก็ต้องยืนเดินไปข้างหน้าก่อนให้รู้ตัวนะแล้วจิตใจเป็นยังไงตอนนั้นมันก็จะรู้สึกเป็นทุกขนะ์พอไปหน้าห้องสุขากเ็เป็นสุขขึ้นมาแล้วแต่นะก็คอยสังเกตจิตใจตนเอง ด, ดูให้มีความรู้ตัวในการถ่ายอุจระในการถ่านปัสวะนะครับ คัตเตจิเตนิสินเนสุเตชาคริเตภาสิเตตุนหีภาเวสัมปชานกาเรโหติเป็นผู้ที่กระทําความรู้ตัวคัตเตในการเดินไปเดินไปเล่นเล่นเดินเหินไปธรรมดาธรรมดาจิเตในการยืนอยู่หยุดอ ย, อยู่นิสินเนในการนั่งอยู่นั่งเล่นทอดน่องหรืออะไรก็ตามแต่สุเตในการนอนนอนท่าไหนท่าน้นท่านี้ เราตัวลายม่อนมากอดซะหน่อยอะไรเขว่าหให้มีความรู้ตัวนะให้เรารู้ตัวให้หมดนะพูดง่ายนะเราจะทําอะไรก็ได้ของเราให้มีรู้ตัวก่อนรู้ตัวว่ามันคิดอย่างนี้เลยมาทําอย่างนี้ก่อนอย่างนี้แล้วเป็นยังไง ร, รู้สึกยังไงทําไปเลยนะชากริเตในตอนตื่นตื่นแล้วเป็นไงบนะ้างงัวเงียหุ่น ง, งานนอนต่ออีกสักห้านาทีก็แล้วการถอาดูทีชั่วโมงหนึ่ง น, นะนะตามบอกมัน ตอนตื่นตื่นแล้วเป็นางอยากลุกไหมอะไรเงี้ยนะแล้วแต่รู้ว่ารีบลุกเราะ อ, อย่างนู้นรีบลุกเลาะอย่างนี้นะครับพาสิเตในตอนที่เราพูดให้มีความรู้ตัวในตอนพูดตอนพูดนี้ถ้าด้านกายปากมันก็มุมก็มีเป็นมุ่นยนต์มันไปที่ไปที่แ ป, ปะ น, นะครับในการพูดพูดแล้วพูดด้วยจิตชนิดไหนเจิตชนิดไหนมันทําให้มาพูดทําให้ปากไปเยื่อนแบบนี้ ตุนนาฮีภาเวหรือว่าตอนนิ่งๆอยู่ตอนตอนนิ่งปากมันเป็นยังไงมันก็เม้มอยู่ตอนพูดมันก็ขยุบขยักไปเนะนี่ยตอนพูดก็ให้มีความรู้ตัวตอนนิ่งก็ให้มีความรู้ตัวนะตอนนิ่งไม่ใช่ว่าใจดีแล้วค่อยนิ่งไม่ใช่นะดูท่าที่เขากอดอะไรนี้ก็มีนะมะเรื่ดงที่ตีเสมอไปบางส่วนเด็กก็เกลือตัวเองนั่นแหละเราท้านนาะย ถึงจะนิ่งๆก็ดูท่าทีขาก่อนอะไรเงี้ยเขาจะว่ายัางไงแล้วเราค่อยว่าอาตามเขาจะว่ากันไปนะครับฉะนั้นนิ่งๆเงียบๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปให้เรารู้ตัวเองพูดก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ยรายเสมอไปใน เ, เกี่ยวเกี่ยวกับการรู้ตัวนะครับในคัตเตในการเดินไปเดินมาทีเตการยืนนิสินเนนั่งสุตเตนอน ชาคฤิเตตื่นภาสิเตยตอนคู่ตุณหีพาเวในตอนนเงียบสัมปชัญญการีโมติเป็นผู้ที่กระทําความรู้ตัวในตอนที่กระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นสรุปแล้วก็ทุกทุกๆกิจกรรมที่เราทําทุกๆการเคลื่อนไหวทุกๆการเหยียดการคู่ทั้งหลาให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่านี่กาลังทําอะไรมันคิดอะไรจึงมาทํา เท่าที่รู้ได้นะที่ผมพูดอาจจะเยอะไปนะดูเยอะๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้ายังไม่เยอะก็เอาแค่เล็กๆน้อยๆเท่าที่รู้ได้ไปก่อนทำอะไรทําไปทําไมมันคิดยังไงมันเห็นประโยชน์ยังไงจึงมาทําทํารู้เนื้อรู้ตัวไหมเดินๆเดินเนี่ยที่ว่าหลงไปแล้วเข้าโลกเข้าพงไปแล้วอะไรเนี่ยนะที่มานั่งของพระเนี่ยมานั่งทําไมเนี่ยกำลังนั่งนั่งอยู่เนี่ยอ๋อนั่งจะเอาสมบุกต้องรู้ตัวอ๋อมันอยากสมบเลยมานั่ง มนเบื่อคนแนๆเบื่ออยู่หลายคนเลยมาอยู่คนเดียวสักหน่อยเบื่ออยู่คนเดียวเลยไปอยู่หลายคนอะไรโวยวายให้รู้ตัวอยู่เสมอ น, นะครับเห็นไหมรู้ตัวทั้งตอนพูดตอนนิ่งการทําสิ่งต่างๆทุกๆอย่างเลยเอวังโ hor พิคเวพิขุสัมปชาณกาเรหงติดูก่อนที่สุทั้งหลายอย่างนี้แหละที่สุขชื่อว่าเป็นผู้มี สัมปชัญญะคือเป็นผู้กระทำความรู้ตัวเรือว่าสัมปชานัการกระทำความรู้ตัวสโตพิกเวพิขุสัมปชานโนกาลังอาคเมยะอยังโวอัมหากังอนุสาสนีแล้วพระองค์ก็สรุปตอนท้ายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาคือมีสติ มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกๆสถานที่ทุกๆสถานการณ์อายาอังโวอัมหากังอนุสาสนีนี้แหละเป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายคำอนุสาสนีคำบอกคำเตือนคำสั่งสอนฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือไปทาตามไม่ใช่มานั่งฟังอยู่ยนี่นะมานั่งฟังก็ จะบอกว่าอุยศรัทธาเยอะมาฟังตลอดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ละคนับหมดศรัทธาเยอะก็คือเขาก็ฟังเสร็จแล้วเข้าใจแล้วก็ว เ, เอาไปทําไปฝึกฝนอันนี้แหละเป็นอนุสาสนีนะครับก็คือให้มีสติมีสัมปชัญญะมีสติคือไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจตัวเองตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมนะเพื่อ ให้เกิดการละความยินดียินร้ายในโลกนะั้แล้วมีสัมปชัญญะคือมีความรู้ตัวในการทํา ต, ติดต่างๆในการทําสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งเล็กๆน้อยๆทั้งใหญ่ๆทั้งนิดหน่อยหรือว่าที่สําคัญหรือไม่สําคัญก็ตามแต่ให้มีความรู้ตัวมีสัมปชัญญะอยู่เสมอ ฉะนั้นในงานตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ได้แยกกันว่างานไหนมันสําคัญกว่าพระราชาก็ทําอย่างราชาไปนุ่งห่มอย่างราชาไปแต่ให้มีความรู้ตัวชาวนาก็ทําอย่างชาวนาไปนุ่งห่มอย่างชาวนาไปแต่ให้มีความรู้ตัวอย่างนี้ไม่ได้ว่าอันไหนมันสําคัญกว่ากันไม่สําคัญไม่เกี่ยวสําคัญที่การมีสติมีสัมผัชัญญยาถ้าคนไหนฝึกฝนคนนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไห น, นเขศไหนก็สามารถบรรลได้ชาวนาก็ได้บรรลได้พระราชาก็บรรลุได้เป็นฆราวาสก็บรรลุได้เป็นภิกษุก็บรรลุได้เมันอยู่ที่การมีสติมีสัมชัญญรนะครับ